เราก็มารวมกันปฏิบัติธรรมเนะอืี่ยว่าปฏิบัติธรรมที่จริงมันก็มันต้องทําใครทํามัน <c oughs> เราจะทําแทนคนอื่นก็ไม่ได้นะคนอื่นจะทําแทนเราก็ไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราเองนะ จะรักกันขนาดไหนนะจะหวังดีต่อกันขนาดไหนก็เราก็ให้กันไม่ได้นะคือธรรมะเนี่ยมันมันให้กันได้แต่เพียงคําบอกคําสอนนะคำแนะนําแต่การกระทํามันต้องเป็นเรื่องของเราเองนะ <c oughs> คล้ายเหมือนกับพ่อแม่นะเลี้ยงดูเราแม่ก็ให้นม นะให้อาหารให้น้นะให้นมเราดูดนะแต่ถ้าเราไม่ดูดเราก็ไม่โตนะป้อนข้าวป้อนน้ำให้เรานะถ้าเราไม่เคี้ยวถ้าเราไม่กืนนะเราก็ไม่อิ่มนะท่านก็เพียงให้ได้แค่นั้นนะนะแต่เราเองจะต้องช่วยตัวเองต่อในการที่ต้องเคี้ยวต้องกืน มันเหมือนกับเราเองแหละนะนะการศึกษาธรรมะก็ส่วนที่พระพุทธ เ, เจ้าท่านสอนไว้เนะ่นะเป็นพระธรรมเป็นพระวินัยที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนพวกเราไวนะ้น่ะเป็นธรรมะที่ให้เรามาปฏิบัติก็ก็คือเป็นแนวทางแต่สุดท้ายละเราก็ต้องนํามานํามาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนะอืม แต่เราก็อาศัยว่าเราอยู่รุด้วยกันนะนะ่ะปฏิบัติทํรร่วมกันนะมันมีพลังนะ่ะคล้ายๆเหมือนถ้าเราทำงานด้วยกันนะงานอาจจะหนักอาจจะยากอาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าทำก พ, พร้อมกันในหลายคนนะ่ะมันก็จะเหมือนเพลินๆไปนะ่ะมีกาลังใจนะ่ะเห็นเพื่อนทาด้วยนะ่ะ เราก็ไม่ใช่เหนื่อยคนเดียวนะเพื่อนเราก็เหนื่อยด้วยนะจะมากขนาดไหนก็ทําไปเรื่อยๆแบบนะี้แต่ถ้าทําคนเดียวบางทีก็จะเหนื่อยก็จะท้อนะตากแดดคนเดียวตากฝนคนเดียวนะทำงานคนเดียวมันก็บางทีก็ขาดกําลังใจการที่เรามาปฏิบัติทำร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเสริมกําลังใจให้กันและกันนะ เนี่ก็สังเกตบางทีถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่กุติคนเดียวนะบางทีมันมันชวนให้เรากลับไปที่นอนได้ง่า ย, ยนะ <c oughs> แต่ก่อนอยู่ที่สุกโตนะอยู่ที่กุตินะอืถ้าเราเริ่มเข้ากุตินะเริ่มเข้ากดแล้วเนะ่ยโอกาสที่จะอแอบไปนอนเนะี่ยมันจะมีสูงเลย แต่ก็แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแอบหรอกนะก็คือว่าอถ้าส่วนใหญ่ก็จะเดินจงกลมอ่ะนะไม่ค่อยอยากเข้ากุฏนะิก็เดินจงกลมอยู่นอกกุฏิเอานะถ้าจะเข้ากุฏิก็เ อ, อเข้าไปนั่งยกมือสร้างจังหวะนะให้มันพอเพ ว, ว่าพอให้ขามันหายปวดเมื่อยสักหน่อยนะแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่เรื่อง น, นี้นนะเราก็พยายามเข้ากุฏิให้น้อยนะ เทที่จําเป็นเนาะคือถ้าเป็นนั่งนอกกุฏิมันก็ไม่ไหวมืนกันยุงมันเยอะที่ถูกโตที่พนะู้หลงเนี่ยยุงเยอะมากนะก็ต้องนั่งในกดนยะแต่ของเราที่นี่ก็ดีนะยุงไม่ค่อยเยอะนะแต่นั่งสร้างจังหวะเนยะอยู่ที่กุฏิหรือว่าที่ศาลาเนี่ยก็ยิ่งลมเย็นสบายยุงไม่เยอะ ที่เดินจำกลมกนะ็วิวําตะคอมอย่างสวย <c oughs> หรือเราจะอยากจะเดินปีวิเวกเดินตามทางจำกลมนะที่เป็นช่อมเดินจำกลมนะของเราก็ได้นะไม่ต้องเห็นคนอื่นมากก็ไปหลบนะอยู่ในทางเดินจำกลมของเราเองก็ได้ เนะ่ยเราก็ปฏิบัติธรรมตรงนี้แหละนะเีนะ่การปฏิบัติธรรมก็คือการเนี่ยแหละก็เรามาดูตัวเราเองนะมาดูนะสิ่งที่ร่างกายเขากำลังทํานะให้ใจเขารู้นะแต่ทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวนะแต่การรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปพูดว่าเราทํานั่นทํานี่นะเช่นแม่ครัวนะทําอาหารนะ เราก็แค่รู้สึกถึงร่างกายที่กําลังที่กำลังทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นะแต่เราก็ไม่ต้องไปพูดว่าเรากำลังหั่นผักเรากำลังล้างจานนะแต่ให้ล้างจานด้วยความรู้สึกตัวนะหั่นผักด้วยความรู้สึกตัวนะจะเดินนะก็เดินด้วยความรู้สึกตัวแต่ไม่ต้องเดินไปแล้วก็แล้วก็ คิดในใจว่าเรากำลังเดินอยู่นะขาขวาหรือขาซ้ายกำลังก้าวอยู่ น, นะหรือกำลังเหยียบอยู่นะคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะให้เรารู้สึกตัวแต่เรารู้สึกตัวโดยที่เราไม่ต้องไปไปพูดไปจะลึกว่าเราทำนั่นทำนี่นะเพราะมนง้นมันยังมีความเป็นเราคนะวามเป็นเราก็าคือตัวตนอย่างหนึง่ง แล้วก็ถ้ามันยังมีอวัยวะมีกิริยาต่างๆนะมันก็ยังเป็นสมมตินะมันก็ยังเป็นสมมติสมมติเป็นแขนเป็นขาเป็นมือนะสมมติเป็นนะเรียกว่าอันนี้คือยือนเดินนั่งนอนอะไรนะอันนี้มันก็ยังมีสมมติอยูะนะคือถ้าเรารักได้ก็รักไปเลยนะ แต่ถ้าบางทีมันคิดของมันเองมันระลึกของมันเองรู้เป็นแบบนั้นก็ก็รู้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ต้องไปกําหนดตลอดนะเพราะว่ามันจะเป็นเอาสมมุติไปกําหนดเรื่อยไปเนะี่ยถ้ารู้จริงๆก็รู้แบบเฉยเฉยรู้สึกถึงเป็นรูปนะรูปที่เป็นวัตถุนะวัตถุเนี้ยเป็นรูปไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา นะเราจะพยายามฝึกให้ถ่ายถอนความรู้สึกว่าไอ้รูปเนะี้ยที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นเรานะี่ยเป็นของของเราเลยเนะี่ยมันยึด ต, ติดความเป็นเราเป็นของของเรานะี่ยถ้ารูปมันทุกข์เนี่ยมัน ก, ก็คือเราทุกข์นะรูปมันเจ็บก็คือเราเจ็บรูปมันแก่ก็คือเราแก่รูปมันตายก็คือเราตายนะแต่ถ้าเรามองมันเป็น สักแต่ว่าเป็นรูปนะจักแต่ว่าเป็นรูปนะความเป็นเรานะอ่ถอนออกมานะไม่ยึดว่ารูปนี้เป็นเรานะแต่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะเป็นอาการนะเป็นอาการลองดูแบบนี้นะลองฝึกดูฝึกดูไปไปบ่อยเห็นรูปมันเป็นอาการอาการนะมันทําอะไรก็แล้วแต่ก็ดูมันไปเรื่อยๆนะเป็นอาการ อาการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเป็นไหวเป็นนิ่งเป็นกระทบเป็นสัมผัสนะเป็นทุกข์นะเป็นไม่ทุกข์นะ่ะก็ดูมันไปเป็นอาการนะรูปมันก็แสดงอาการเจดูปนะเจดูปของใครก็แล้วแต่นะมันก็อาการเมือนเหมือนกันนั่แหละนะแต่เราเองวิส่งยึดสู้ก็เป็นเรานะเป็นของของเรานะ แต่จริงรูปนะมันก็เป็นเหมือนรูปนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเหมือนกับรถนะรถมันรถมันจะสําคัญไม่ว่าอันนี้รถของนายก อ, อันนี้รถของนางสาวขออันนี้รถของนายพลนายพันผู้ว่านายยกอะไรที่จริงรถนะมันไม่ได้มีความสําคัญว่ามันเป็นของใครหรอกนะ แต่คนนะมันไปสําคัญเองว่าอันนี้รถของนายกออันนี้รถของนายขออันนี้รถของผู้ว่าอันนี้รถของใครก็แล้วแต่นะเราไปสําคัญมันเองว่ามันเป็นของเรานะแต่จริงรถมันก็เป็นรถนะใครจะขับนะ่ะถ้าสตาร์ทมีกุญแจสตาร์ทถูกวิธีขับไปมันก็ไปหมดนั่นแหละนะมันไม่เกี่ยงนะ ไม่เกี่ยมว่าอันนี้ไม่ใช่ในกอไม่ขับไม่ให้ขับนะมันก็เป็นธรรมดาเป็นแบบนั้นนะแต่เราเองอาไปตู่เอาว่ามันเป็นของของเราแบบนี้เนาะถ้าเราสังเกตจากธรรมชาตินะต้นไม้นะ่ะอาจจะอยู่ในที่ตรงนี้นะแต่เจะบอกว่ามันเป็นต้นไม้ของเรามันก็ไม่ใช่นะ เขาก็เกิดตรงนี้แล้วเขาก็แค่ตายตรงนี้เขาแค่เดินไปที่ไหนไม่ได้นะต้นไม้มันไม่มีความรู้สึกว่าอันนี้ต้นไม้ของพระต้นไม้ของแม่คีต้นไม้ของโยมนะต้นไม้มันก็คือต้นไม้นะใครจะดูแลมันก็ได้ใครจะทาลายมันก็ได้นะมันก็เป็นธรรมดาของมันแบบนั้นร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนเราก็เพียงแค่มาอาศัย ใช้เขานะเจ็ดสิบปีแปดสิบปีร้อยปีหลือบางคนก็อยู่ไม่ถึงเลยนี้เนาะแล้วก็มาอยู่อาศัยใช้เขาแต่เราจะใช้กายเพื่ออะไรเนี่ยนี่สำคัญนะนะเราได้ร่างกายมานม้เป็นสมมุติไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่ถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันก็มีค่ามากนะนั้นเราเกิดมาเนาะเราก็อาศัยร่างกายนี้เนาะ เพื่อใช้นะทำคุณงามความดีเพื่อใช้นะให้เกิดปัญญานะให้มีสติปัญญาพ้นจากความทุกข์นะเราใช้กายเพื่อการนี้นะเราอาศัยร่างกายมาเดินจงกรมมายกมือสร้างจังหวะนะมาสวดมนต์ไหว้พรนะเนี่ยเราอาศัยร่างกายเพื่อ เป็นเรียกว่าเป็นฐานนะให้ใจมีสติรู้อยู่กับกายนะอันนี้เราให้มีสติรู้ไปเรื่อยๆนะแต่ให้รู้เป็นคีลักขณะนะเวลาเรารู้สึกตัวรู้เป็นคีรักขณะเนีย่ยถ้าเราทําในรูปแบบเนี่ยการรู้เป็นคีลักขณะเนี่ยมันจะชัดเจนนะพลิกมือขึ้นรู้สึกเนะี่ยจบลงละนะยกมือขึ้นรู้สึก จบตรงละวางลงรู้สึกจบตรงละมันจะรู้เป็นทีละขณะจบชัดเจนนะเคลื่อนก็ขณะหนึ่งก็รู้หยุดก็ขณะหนึ่งก็รู้ยกก็ขณะหนึ่งก็รู้หยุดก็ขณะหนึ่งที่รู้หรือแม้แต่หายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนกันนะหายใจเข้าก็รู้หนึ่งขณะหายใจออกก็รู้หนึ่งขณะ หายใจเข้าใหม่ก็รู้หนึ่งขณะนะเดินก็เหมือนกันก็รู้เป็นทีละขณะนะไม่ต้องเดินช้าๆเดินธรรมดาก็รู้นะก้าวก็รู้กระทบก็รู้นะแต่เพี่แดี๋ยวมไม่ต้องพูดว่าเรากำลังก้าวเรากำลังเหยียบอะไรเงี้ยนนะแต่พอมันทําปุ๊บเรารู้ปั๊บทันทนะีเวลาถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราจะรู้เป็นทีละขณะได้ได้ชัดเจนนะ หรือบางครั้งเราก็ทําในอีกบทย่อยๆนะพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกหงายรู้สึกคว่ำรู้สึกเนะี่ยมันก็เป็นทีลักขณะนะถ้าเราฝึกแบบนี้นนะให้เราฝึกรู้สึกตัวทีลักขณะนะรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบนะนะความรู้สึกตัวมันจะเป็นความรู้สึกตัวแบบสดๆใหม่ๆนะชัดเจน ทีละขณะนะเป็นความรู้สึกตัวที่ปัจจุบันจริงๆนะความรู้สึกตัวเนี่ยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนะมีแต่ปัจจุบันที่รู้แต่รู้แล้วก็จบนะนะไม่ได้ไปยึดนะนะให้เราฝึกความรู้สึกตัวนะอาศัยร่างกายเนี่ยแหละนะอาศัยร่างกายเป็นตัวผลิษฐ์ความรู้สึกตัวแต่ก่อนเราก็แค่ใช้กายในการ ทำกิจต่างๆเนาะทำกุศลบ้างนะบางทีก็ใช้ทำกุศลเนาะเราก็ทำความดีก็หลายอย่างเหมือนกันแหละบางทีก็ใช้กายในทำสิ่งไม่ดีนะเป็นอกุศะบ้างนะมันก็มีเหมือนกันนะ่ะแต่ต่อไปนี้ลองดูนะเราจะใช้กายในการทำสิ่งที่ดีแล้วก็ทำสิ่งที่มันเหนือดีเหนือไม่ดีนะกรรมฐานเนี่ย มันคือนอกจากทำดีแล้วนะบางทีมันก็ไม่พอนะบางทีมีหลายคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเรียกว่าอะไรไม่รู้ปฏิบัติทำทำไมนะอะเพราะว่ารู้สึกว่าเราทำหน้าที่ในครอบครัวทำหน้าที่ในอาชีพการงานให้ดีก็ถือว่าก็ดีแล้วนะ ดูแลครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานไปเ ร, เรื่อยก็ดีแล้วนะปฏิบัติทำให้เหนื่อยทำไมปฏิภาณทำให้ทุกข์ทำไมเนี่ยนะแต่ถ้าดูดีๆนะบางทีการแค่เราการแค่เราเหมือนคล้ายๆเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมนะอาจจะดีมากกว่าไม่ดีนะ แต่คนคนหนึ่งถ้าไม่มีธรรมะจริงก็จะดีตลอดเลยมาว่าก็เป็นไปได้ยากแต่การเป็นคนดีคนหนึ่งมันก็ดีแล้วนะแต่การเป็นคนดีเนี่ยมันไม่รับเป็นดักรับประ ก, กันว่าเราจะไม่ทุกข์นะหลายครั้งเราก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนดีมันไม่ดีนะดีแต่บางทีก็เป็นทุกข์นะห่วง ห่วงลูกห่วงร้านห่วงเพื่อนห่วงคนนี้คนนี้จนจนนอนไม่หลับจนคิดมากนะจนเรีว่าจิตใจว้าวุ่นแบบนี้นะความเป็นห่วงนะก็เป็นทุกข์นะนะแต่หวังดีทำสิ่งที่ดีต่อกันเนี่ยมันก็ดีนะแต่บางทีมันก็บางทีมันก็กลายเป็นห่วงจะเป็นทุกข์อนะ บาทีทําแล้วเขายังไม่เปลี่ยนแปลงเขายังไม่ดีขึ้นนะเราเองก็ไปยึดติดตรงนั้นนะอยากให้เขาเปลี่ยนเร็วๆอยากให้เขาดีขึ้นเร็วๆอยากให้เขาคนทุกขนะ์ถ้าเราไปยึดติดตรงนั้นนะมันก็เป็นทุกข์นะหรือบางทีบางอย่างเราก็หวังดีนะแต่บางทีเราไม่มีปัญญานะแทนที่จะไปช่วย ให้เขาคนทุกข์บางทีก็ก็เป็นทุกข์มากขึ้นก็มีนะอ่าอืมมันก็มีหลายหลา ย, หลายอย่างนะ ม, มีเหตุการณ์หลายอย่างเราก็คงสังเกตหรือก็ได้นะบางทีเราก็หวังดีอยากจะแก้ปัญหาช่วยเขาอยากจะช่วยเขาแต่บางทีก็ถ้าเราไม่มีปัญญาก็บางทีก็พาการลงทางไปก็ได้ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะบางที ถ้เปรียบเทียบเหมือนกับบางคนป่วยนะเวลามีคนป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคที่แบบประเภทว่าหมอบอกรักษายากหรือประมาณว่าหมอรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีคนหวังดีนะมาแนะนํายาสมุนไพรแนะนำหมอดูหมอนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะที่ทางเลือกเนะี่ยคนที่แนะนําก็หวังดีนะ ก็วังดีอยอะนะแต่เพีเยนแต่ว่าบันทีก็แนะนําให้ไปเชื่อแบบหลงงมงายอยู่เนี่ยเนานะมันก็ไม่มีปัญญานะนะไปเชื่อต้องไปแก้กรรมต้องไปสะดอกเคาะต้องไปนั่นไปนี่เนะี่ยบังทีมันก็นะคนทําก็ทําตามเขาเชื่อกันไปนะไม่มีปัญญาหลงงมงายไปเรื่อยนะอันนั้นก็หวังดีนะช่วยกันนะ แต่ก็ช่วยไม่ถูกทางมันก็มันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะนั้นบางทีการหวังดีเนะี่ยมันก็ต้องมีปัญญาคล้ายๆเหมือนกับถ้าเราถ้ามีคนมาถามทางเรานะเช่นจะไปวัดป่าสุขกโ ต, โตไปแบบไหนแบบนี้เนาะถ้าคนที่เคยไปแล้วเนี่ยก็จะบอกทางได้ออ อให้ขับรถไปเส้นนั้นเดี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไหนเนี่ยบอกได้แต่ถ้าคนไม่เคยไปเนี่ยแต่พอมีคนมาบอกไว้นะเราก็วางดีที่อยากจะช่วยเขาเนี่ยบางทีเราไปบอกทางเขาเนี่ยอาจจะบอกผิดก็ได้เขาไปไม่ถึงสุประตหลงทิศผิดทางเข้าก่าอ้อยเข้าอะไรก็ไม่รู้นอันนี้คือมางทีวางดีแต่ถ้าไม่มีปัญญานะนะ มันก็อาจจะเรียกว่าพาเขาหลงทางก็ได้หรือบางทีคนที่วางดีเองนะแหละนะถ้าเราวางใจไม่ถูกนะเราก็เป็นทุกข์นะนั้นการเป็นคนดีนะมันก็ดีนะแต่มันยังไม่พอนะต้องเป็นคนดีที่มีปัญญาเนะี่ยมาด้วยมันจะไม่ทุกข์นะเวลาเราทําดีแล้วนะมันจะวางได้นะ มันจะวางใจได้นะอไม่เป็นไรนะรอได้ใจเย็นได้นะนั้นการที่เรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยนะมันจะเป็นการฝึกจิตใจให้เรารู้เท่าทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันสิ่งที่มันยึดติดถือมั่นต่างๆเนี่ยในจิตใจแล้วการรู้ทันนะมันจะทําให้เราปล่อยวางกับมันเองนะคือไม่ใช่เราจะพยายามปล่อยวางนะ ทำ ว, ว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆหรอกนะใช่ไหมเวลาเรามีปัญหาแล้วมีคนบอกให้เราปล่อยวางเนี่ยมันเรามีปัญหามีความทุกข์เนี่ยมันมันไม่ใช่จะปล่อยง่ายๆขนาดนั้นแต่ถ้าเมื่อไรเราเห็นเราเห็นปัญหาด้วยตัวเราเองนะเราเห็นความทุกข์ด้วยตัวเราเองนะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นเห็นว่ามันหนักนะด้วยตัวของเราเองเนะี่ย มันจะวางเองนะมันจะวางเองคือเห็นอะไรการการยึดการถือการแบกอะไรต่างๆคือมันมันอยู่ที่ใจเลยนะมันอยู่ที่ใจการหนักทางร่างกายเนี่ยมันก็มันก็ถ้าเราแบกน้ําหนักเกินไปเนาะร่างกายมันทิ้งเขามันเองนะเคยเห็นนับยกน้ําหนักไหมเวลา เขายกน้าหนักวเวลาเขาก็ทําท่าจะยกเต็มที่เนาะพอมันยกไปแล้วมันยกไม่ไหวเนะี่ยเขาจะรีบปล่อยเลยเ อ, อ่ไม่ฝืนนะถ้าคือก็อาจจะฝืนนิดนึงพอรู้ไม่ไหวแล้วรีบปล่อยเลยคือธรรมชาติของกายเป็นแบบนั้นนะนะถ้ามันแบบมันหนักเกินไปเนะี่ยมันจะปล่อยหรือเวลาเราถูกของร้อนนะ่ะถ้าร่างกายเราปกติเนะี่ย พอมันถูกน้ำร้อนร้อนถูกไฟร้อนร้อนเนี่ยมันจะรีบมันจะรีบชักมือออกมาเลยใช่หมหรือเราเดินเหยียบอะไรลำแหลมเนี่ยนะถ้าเราไม่ขาดสติมากเกินไปพอมันเหยียบปุ๊บเนี่ยมันเจ็บปับเนี่ยมันจะรีบชักเท้าออกมาเลยอันนี้คือร่างกายนะเขาก็มีคนไกในการป้องกันอันตรายนะได้เยอะนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้สึกเลยเนะี่ย โอมันก็จะเจ็บนะอย่างอาจารย์กพลท่านบอกช่วงล่างนะท่านไม่มีความรู้สึกตัวนะถ้ามีอะไรร้อนๆมาถูกขาท่านเนี่ยท่านก็ไม่รู้สึกนะบทีก็เป็นแผลนะเพราะไม่รู้สึกตัวแต่นั่นคือไม่รู้สึกตัวเพราะว่าร่างกายผิดปกตินะไม่ใช่ว่าจิตใจไม่รู้สึกตัวนะแต่เพราะร่างกายไม่รู้สึกตัวมันก็ทำอะไรไม่ได้ อันนี้คือร่างกายนะมันก็ยังฉลาดนะแต่จิตใจคนเราเนี่แหละเนาะบางทีเราเป็นทุกข์แต่เราก็ยังแบกทุกข์อยู่เนะนี่ยมันมันไม่ฉลาดตรงเนี้ยนะแต่ถ้าเรามีสติเราจะฝึกให้เห็นว่าเวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นนะเราเห็นใจมันเป็นทุกข์นะมันจะวางความทุกข์ของมันเองความทุกข์ในใจมันคืออะไร อกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นตัวทุกข์นะแต่เราคิดว่าสคนส่วนใหญ่ก็คือพอมีกิเลสขึ้นมานะมันเป็นทุกข์ต้องสนองกิเลสเนะี่ยมันถึงจะไม่ทุกข์ใช่ไหมอยากกินนะก็ต้องได้กินสิมันถึงจะหายทุกข์อยากดูก็ต้องได้ดูสิมันถึงจะหายทุกข์เลนะ ถ้าทางโลกก็คือสนองกิเลสนะมันถึงจะหายทุกข์แต่การสนองกิเลสเนะี่ยมันเป็นการสะสมกิเลสนะเป็นเหมือนยาเสพติดนะ่ะเหมือนบางทีเราเห็นคนติดยาเสพติดนะอะไรก็แล้วแต่นะเราจะเห็นได้ว่าคนใหญ่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอย่างสูบบุหรี่ย่างเคยสูบวันละสองสามมวนนะ ไปเรยเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยก็ต้องเพิ่มเป็นครึ่งซองเป็นซองหนึ่งนะนะติดยาเสจติดติดเหล้าก็เหมือนกันเคยจิบนิดนิ ด, นดหน่อยต่อไปก็กินทุกวันนะต่อไปก็ไม่กินมันก็บังคับให้เราต้องกินนะถ้าไม่กินก็มือไม้สัน่นใช่ไหมพกแอลกอฮอล์เรื่อยาเสพติดลายชนิดนะถ้าเรา ไม่ไม่สนองเขาเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายผิดปกติจิตใจผิดปกติเลยกิเลสก็ทําหน้าที่คล้ายยาเจพติดมาแน้ น, น่ะนะมันมาล่อเราว่าถ้าเราทําตามเขาแล้วเราจะมีความสุขนะมีความสุขชั่วขณะหนึ่งไม่ทุกข์แล้วเห็นไหมเนี่ยพอได้สนองเขาเนี่ยเห็นไหมไม่ทุกข์เลยนะมีความสุขขึ้นมาแทนที่เลยนะ แต่การสนองกิเลสแบบนั้นบ่อยๆนะมันเป็นการเสพติดต่อไปมันจะสุขเท่าๆเดิมเนี่ยมันต้องเพิ่มปริมาณการสนองให้มากขึ้นหรือมันจะวางความทุกข์เนี่ยในเท่าเดิมเนี่ยมันต้องสนองตัญหามากขึ้นนะมันถึงจะมีความสุขเท่าเดิมหรือว่าวางความทุกข์ได้อย่างที่เพิงเคยได้นะเราสังเกตก็ได้เหมือนเด็กๆนะวันที่เด็กๆเนี่ย ให้เลยนิดหน่อยเนี่ยดีใจแล้วเออดีใจนะแต่พอโตขึ้นมาใช่ไหยให้นิดนิ ด, นดหน่อยไม่ดีใจนะต้องได้แบบที่อยากได้นะ อ, อืมเด็กเนี่ยร้องอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็มันก็หายร้องไห้ละเนยดีใจละวนะแต่ผู้ใหญ่เนี่โอ้ถ้าร้องไม่ถูกเนี่ยโกรธกวเก่เาอีกนะใช่ไหมอันเนี้เพราะว่ากิเลสมันสะสมขึ้ น, นเรื่อยๆเนาะ การปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่าโอ้ที่จริงกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์ความอยากเนี่ยอยากก็จิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์ความโกรธก็เหมือนกันนะโกรธก็กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์หายใจก็อึดอัดนะตัวก็ร้อนนะใจก็ร้อนอยากเองก็เหมือนกัน ใจมันก็บิวบนะอยากได้เคยเคยถามเด็กคนหนึ่งนะแต่ตอนนี้แต่เด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่ฉลาดนะตอนนี้บวชเนนละอายุประมาณแค่เก้าขวบนะแต่ตอนถามเขาตอนนั้นเขาแปดขวบนะเ ข, ข้าไปไข่เนนที่วัดตาสุขกโตนะตอนนั้นเขาไม่ได้บวชนะไปพาเด็กพาลูกเนนลูกศิลป์ไปออกค่ายที่ สภูมเหนือะเป็นหน่วยเป็นหนหรียกว่าเป็นหน่วยย่อยของเขตอุตสาหการป่าผู้เขียวฮกาลังจะพาเด็กๆไปเดินป่าไอเด็กคนนี้ก็นั่งอยู่กับอาตมานะก็นั่งอยู่จิตโตตัวหนึ่งแล้วมันก็บ่นบนนะว่าเมื่อไหรจะไปเมื่อไหรจะไปเมื่อไรจะไปประมาณว่าเมื่อไหรพวกพี่เนรพระนจะพาเนนไปเดินป่าสักที ทำให้บนด้วยนะยเพราะว่ามันมีรถไอติมมามาขายไอติมแต่เด็กๆ เ, เขาไม่มีเงินนะแต่น้องคนนี้ยเขามีเงิน mm hmm. เขาวาดรูปสวยนะแล้วก็ก็มีคนประมาณว่าก็เหมือนให้กําลังใจเขานะก็เหมือนซื้อภาพเขานะก็มีเงินเย็นนิดนึงก็อยากจะซื้อไอติมแต่ไม่กล้าซื้อตอนที่พี่เนรอยู่เพราะว่าเดี๋ยว อาจจะกลัวพี่เนรมาแย่งกินหรือล่าไม่รู้ก็เลยบ่นแล้เมื่อไหร่จะไปเมื่อไหรจะไปะไอ้มาก็เลยถามว่าทำไมบ่นแบบนั้นเขาอยากกินไอติมอ่ะอยากกินไอติมแล้วมันเป็นแบบไหนเก็าถามเขานะนะมันอยากมากก็คือร่างกายมันก็รู้สึกแบบกระสับกระส่ายนะจิตใจก็อึดอัด เขาก็เล่าความอยากของเขาเป็นแบบไห น, นพอเล่าไปสักพักนึนนะ่ก็เงียบนะไม่บน่นเลิมบ่นแล้วเออไม่บ่นซื่อติ่ตมนะแต่ก็ธรรมดาของเด็กนะบางทีเงียบได้สักนาทีสองนาทีนะ น, นะ <c oughs> ก็บน่นไะแต่ก็ทำให้เราทาให้เห็นว่าที่จริงแบบพอเขากลับมาดูร่างกายเขาแบบมันกระสับกระส่ายจิตใจมันก็ อึดอัดนะมันก็สงบลงไปได้พักหนึ่งนะะแต่ก็อย่างว่ามันก็กีเดตก็มายั่วอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้ก็อยากอีกนะแต่ก็ทําให้เห็นว่าเออถ้าเห็นว่ากิเดตมันเป็นตัวทุกขนะมันเป็นทุกแบบไหนมันก็วางทุกได้นะแม้จะเป็นการวางแค่ชั่วขณะหนึ่งหรือนาทีหนึ่งนะมันก็ยังดีนะ มันก็ยังดีกว่าเรากระวนกระวายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะที่จริงกิเลสทั้งหลายนะที่มันที่มันหนักมากที่มันแรงมากนะจนเราไม่ไหวแล้วนะทำตามมาแล้วที่จริงเพราะว่ามันสะสมเชื้อมากขึ้น เ, เหมือนกับไฟนะไฟมันไหมไม่กระดาษไหมไ ม, ไม้ถ้ามันไหมนิดนึงเนี่ย ถ้าเราเห็นตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มไหม้เนี่ยเราหาน้ําเด้อวางที่เราหาอะไรไปตบนะ่ะมันก็ดับได้ละแต่ถ้าเราไม่เห็นมันตอนแรกเนี่ยมันไหม้เช่นไหม้ครึ่งกุฏิครึ่งหลังแล้วนะไม่สาราชั้นหนึ่งแล้วอะไรเนาะมันก็ดับยากกิเลสในใจของเราก็เหมือนกันนะที่เราไม่เห็นตั้งแต่เช่นจิตใจมันเริ่มหดหงิด จิตใจมันเริ่มไม่พอใจจิตใจมันเริ่มขุ่นมัวนะเป็นปฏิกะต่อไปมันก็กลายเป็นความโกรธเป็นความพยาบาทเป็นความเกลียดนะอันนี้มาแรงลนะแต่ถ้าเราเริ่มเห็นมาตั้งแต่ความหงุดหงิดความขัดใจไม่พอใจเนะี่ยมันจะดับได้ง่ายความอยากก็เหมือนกันนะตอนได้มันก็อยากนิดๆหน่อยขึ้นมา แต่พอเราไปปรุงแต่งมันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มคล้ายๆอยากแบบหน้ามืดตามมวขึ้นมาลนะ น, นี้นะเราฝึกสติให้เรารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดเร็วๆรู้เฉยๆนี่แหละนะรู้ว่าเป็นอาการแบบไหนเนะวลาอยากร่างกายเป็นแบบไหนจิตใจเป็นแบบไหนก็ดูเขาแล้วเขาจะคลายของมันเองนะ แต่ถ้าบางคนดูจิตใจไม่ไหวมันเข้าไปอยู่ในความคิดเป็นดูแบบคิดคิดเอาเนะี่ยก็ยังไม่ต้องดูก็ได้นะก็กลับมาดูร่างกายเอาก็พอนะดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเออมันอึดอัดเป็นแบบนี้นะก็ดูมันไปหรื อ, อยังดูตัวนี้ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรก็กลับมาดูสิ่งที่เรากำลังทํำนะถ้าเดินอยู่ก็เออกลับมารู้สึกตัว นั่งอยู่ก็กลับมารู้สึกตัวนะ่ะเป็นการเพิ่มฐานของสติเข้าไปนะถ้าเรามีสติมากขึ้นนะสติมันจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูนะมันดูมันเห็นนะเหมือนกับเราการดูการเห็นนะ่ะเหมือนกับเป็นการเรียนรูนะ้เหมือนเราอ่านหนังสือนะเราก็ต้องใช้ตาใช้ตาดูนะใช้ความ ใช้สมองในการจดจำอ่านบันทึกต่างๆวันนี้เนาะหรือไม่แต่บางทีการที่เราออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปที่ต่างๆเนี่ยตาเราได้ดูได้เห็นหัวเราได้ฟังทีนั้นทีนี้มันก็คือการเรียนรู้นะแต่นัน่นคือการเรียนรู้โลกข้างนอกนะแต่สตินะ่ะมันจะเป็นตาในกับไปดูตัวเราเองเนะกับไปดู ร่างกายกลับมาดูจิตใจนะกลับมาดูกิเลสที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจมันส่งผลอย่างไรต่อร่างกายส่งผลต่ออย่างไรต่อจิตใจถ้าเราดูถูกนะมันจะดับลงให้เราเห็นเลยกิเลสเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันดับปั๊บเลยนะนะถ้าดูถูกจริงๆมันดับนะแต่บางครั้งมันถ้ามันไม่ดับเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเราดูไม่ถูกนะแต่บางทีกีเดทมันแรงสติมันอ่อนก็มีนะเหนะมือนกับของหนักแบบนนะีะของเป็นร้อยกิโลแบบนนีะ้แต่เราไม่มีแรงยกขนาดนั้นนะเรายกได้แค่สามจิตกิโลแบบนนีะ้มันก็ยกไม่ไหวแสดงว่ากําลังยังไม่พอนะตอนนั้นเราก็กลับมาเพิ่มกําลังของเรานะเพิ่มกําลังของเรานะให้มากขึ้นไม่ต้องกังวลว่า เออทำไมมันทำไม่ได้นะเรื่องนี้ยังแก้ไม่ได้เนี่ยยังละไม่ได้นะไม่เป็นไรนะที่จริงการที่เราวางไว้ก่อนแล้วก็กลับมาสร้างสติใหม่เนี่ยก็คือการละแล้วนะคือละความกังวลละความเป็นทุกข์แล้วนะกลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยก็คือละแล้วนะละทีละขณะหนึ่งนะกิเลสนะมันจะร้อยแปดพันเก้า มันจะมากขนาดไหนนะแต่มันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้หรอกมันเกิดขึ้นได้ทีละขณะทีละตัวเท่านั้ น, นอาตมาหนึ่งชอบที่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะท่านเคยไปสนทนาธรรมกับองปู่ดูลนะท่านก็ถา ม, มองปู่ดูลว่าจะรักกิเลสตัวไหนก่อนดีประมาณนะั้น หลวงปู่ ด, ดูนะก็บอกว่ากิเลสตัวไหนเกิดขึ้นก่อนก็ละตัวนั้นแหละคือไม่ต้องไปเลือกว่าจะละความโกรธความโลภความหลงละตัวไหนก่อนนะคือตัวไหนมันเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็ละมันตัวนั้นแหละนะกิเลสมันเกิดขึ้นได้ทีละขณะนะถ้าเปรียบเหมือนกับช่องทางเข้านะช่องประตูนะ่ะประตูมันพอแค่พอดีคนคนหนึ่งนะเข้านะ ตัวไหมันผ่านเข้ามาก่อนแล้วก็เห็นมาตัวนั้นแหละมันก็ละตัวนั้นแหละนะ่ะทํำลายตัวนั้นแหละนะนั้นกิเลสนะกิเลสพันห้าปัญหาร้อยแปดมันดูเหมือนมากก็จริงนะถ้าเปรียบเหมือนเป็นกองทัพของกิเลสนะโอ้มาเป็นพันเป็นหมื่นนะแต่จริงถ้าเราทําช่องทางเข้าให้มันแบบแค่พอดีคนคนเดียวเนะ่ะเราดักมันอยู่ตรงประตูนั่นแหละนะอนะ่มันจะทยอยออกมาปุ๊บ ออกมาปุ๊บเราก็ฆ่ามันตอนนั้นแหละนะทําลายมันที่ช่องตอนนั้นแหละนะสติมันก็เหมือนแบบนั้นนะเป็นเป็นยามเป็นทหารเฝ้าตรงประตูนั่นแหละประตูของเราคืออะไรประตูของเราคือปัจจุบันนะประตูเนี่ยไม่ใช่ว่าตาหูจมูกดิ้นกายใจนะนะประตูคือปัจจุบันนั่นแหละนะอะไรมันเด่นขึ้นมาชัดในตอนนั้น เรารู้มันที่ตรงนั้นน่ะแหละนะคือการที่ทําหน้าที่ถูกต้องแล้วนะในหนึ่งขณะนะในปัจจุบันขณะนะนอกอันนี้คือเราก็พยายามฝึกตัวนี้ไปบ่อยนะเราจะเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นมาเราก็รักกิเลสได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะวันวันหนึ่งกิเลสจะเกิดขึ้นบ่อยขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราเห็นมันบ่อยเนะี่ยเราก็จะละมันได้บ่อยนะ่ะ หรือบางครั้งบางขณะมันกงไม่ค่อยมีกิเลสก็มีนะบางทีมันก็พอใจในการปฏิบัติอยู่นะมันก็อาจจะรู้สึกไม่เห็นความคิดไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาก็มัเป็นไรเราก็ดูร่างกายไปเรื่อยๆเอานะดูร่างกายไปทีที่ขณะนะเคลื่อนไหวคข้างนึงก็รู้ข้างนึง น, นะเนื้รู้ไปทีขณะก็ได้ก็เป็นการสะสมสติปัญญาไปเรื่อยนะ แต่ก็เป็นการฝึกดูแบบแยกแยๆไปด้วยนะกายก็อันหนึ่งนะกายก็อันหนึง่งที่รู้ก็อันนึงนะแต่มันก็รู้อยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่าตัวหนึ่งมันเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งเป็นตัวที่ถูกรู้่ะตัวหนึ่งเป็นวัตถุตัวหนึ่งคล้ายๆเหมือนกับมือของเรานะไปจับอะไรสักอย่างหนึ่งเนะนี่ยนะมือมันก็อันนึง ไอ้ที่ถูกมือจับมันก็อันนึ่งนะเราจับแก้วน้ําแก้วก็อันนึงนะมือก็อันนึงมือไปจับไม้กวาดไม้กวาดก็อันนึงมือก็อันหนึ่งถ้าเปรียบเหมือนมือเหมือนกับจิตใจนะจิตใจมันก็อันหนึ่งอากาศที่มันเกิดขึ้นให้จิตใจมันเขารู้เนี่ยมันก็อันหนึ่งนะก็ดูแบบนี้ไปเรื่อยนะอดูไปไม่ต้องจะคิดอะไรมากหรอกพยายามแค่ ด, ดูไปเรื่อนๆะยังไม่เข้าใจมากยังไม่เห็นชัดมากก็ไม่เป็นไรนะแต่พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนะยังแยกไม่ได้อธิบายไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ให้รู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกประมาณว่าเออรู้สึกอยู่ในสิ่งที่ทำนะแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกชื่ออะไรมากมายไม่ต้องไปพยายามคิดวิเคราะห์อะไรมากมายนะรู้ไปซื่อๆรู้ไปซื่อๆ เดี๋ยวสติปัญญามาผ ส, สมมากขึ้นนะมันจะแยกแยะมันจะเข้าใจของมันเองนะแต่ต้องอาศัยการที่เรียกว่าเนะี่ยฝึก บ, บ่อยๆดู บ, บ่อยๆนะมันจะเกิดความแยกคลายจะเกิดการสังเกตเกิดการแยกแยะเกิดความเข้าใจนะอะ่มันจะอืมต่อไปมันอืม <c oughs> มันคล้ายๆแต่ก่อนมันแบบง ง, ง แต่พอทำํำไปคล้ายๆเหมือมมนเราฟังเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษนะแต่ก็ฟังไปไม่ค่อยดูเรื่องแบบทําท่าฟังไปแต่พอฟังไปเรื่อยๆนะเริ่มจับสั์ได้เริ่มเดาได้ว่าอันนี้เขากำลังด่าเรานี่ว่านะอืมดูกระแล้วตรงนั้นะนะอันนี้คือเขาพูดอะไรเออมันเป็นเรื่องตลกนี่นะก็หัวเราะเขาได้ อันนี้คือพอเราจับทางได้มันก็อื ม, อมไม่ถูกหลอกละไม่ไม่โง่ละเน่ะอันนี้ก็เป็นการเหมือนจับทางกิเลสนะจับทางกิเลสจับทางความหลงนะถ้าเรารู้ทางมันแล้วเนะี่ยคราวนี้เราจะจะเหนือเขานะเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆความหลงเนะี่ยมันก็มันหลอกไม่ได้นะ มันหลอกไม่ได้นะเรารู้ทันมาแล้วมันก็หลอกไม่ได้นะนักก็ให้เราพยายามฝึกฝนตัวเราเองเนาะอาศัยช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เราได้มาปฏิบัตินะถือว่าเป็นการปฏิบัติทบายเป็นพระราชนิลนธะ์นะในดวงรัชการที่เกนะ้าที่จริงก็ใกล้ๆเคียงกับในดวงรัชการที่ห้าเลยนะ วันที่ยี่สามวันปียะยังแต่จริงก็เราก็อาศัยว่าเราได้อาศัยแผ่นดินนะที่มีพระมหาเกษตรเป็นประมุขเนาะสืบทอดกันมาอาณาจักรไทยกี่ร้อยปีเจ็ด้อยปีก็เปลาไม่นะแต่จริงไม่ค่อยสมมุติทางนั้นนะนะอย่างที่เนี่ยมีคนไทยมีคนจีนมีคนญี่ปุ่น หรือบางทีก็พูดภาษาแตกต่างกันนะคนไทยภาษาไทยกลางบ้างอีสานบ้างเหนือบ้างเขมรบ้างนะพูดไม่เหมือนกันนะมันก็สมมติทางนั้นนะแต่มาว่าฮะพวกเราคนในที่นี้นะมันมันก็ต้องมีบุญวัฒ น, นะทำกันมานะแต่จะเกิดชาติไหนช่วงไหนก็ไม่รู้นะที่เราได้ อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะได้ทำบุญร่วมกันได้มีวัสนาร่วมกันนะก็เลยได้มาเจอกันอีกนะพระคําเคี้ยวท่านใช้ว่าพวกเราเนะี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้านะี่ดต่ญาติที่เพิ่งได้มาพบกัน <c oughs> ไม่ม่ใครเป็นคนแปลกหน้าระดับนะเพื้อนแต่เป็นญาติกันเท่านั้นถ้า ก็อย่างที่พูดว่าอดีตจะเคยเป็นอะไรกัไม่ก็ไม่รู้นั่นแหละนะก็้วลเป็นเคยมีความสัมพันธ์กันเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่เอาไปคิดหาแับถ้าเราไม่มียานที่จะดูก็ปล่อยไวเถอะนะ่ะคือถ้าคนอื่นจะมาทักว่าเราเป็นนั่เป็นนี่ก็อย่าไปเชื่ออะไรมากนะ่ะก็ฟังเล่นๆไปแต่ถ้าให้เราดูปัจจุบันเนี่ยก็ได้นะเออเราก็เป็นญาติกันจริงๆนะนะีนะ่เป็นญาติธรรมกัน อได้มาปฏิบัติทําด้วยกันเนี่ยเนี่ยถือวเป็นญาติทํากันนะหรือบางทีแม้แต่คนอื่ น, นที่เราเราก็มองเป็นญาติได้เหมือนกันนะเป็นญาติร่วมทุกนะร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะเป็นญาติร่วมโลกนะเป็นญาติร่วมทุกเนี่ยก็เป็นญา ต, กกญาติกันได้นะอืมถ้าเรามองแบบนี้โอ้ญาติเราเป็นทุก เราก็อย่าไปซ้ําเติมญาตให้มันเป็นทุกข์นะโดยร่างกายมันก็เป็นทุกข์อย่แล้วอย่าไปซ้ําเติมจิตใจกันให้เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ช่วยกันนะช่วยกันให้พ้นทุกข์ได้ช่วยกันให้เบาทุกข์ได้ก็ช่วยกันเลยนะนี่ก็คือถ้าเรามองกัความเป็นญาติเน่ะญาติธรรมญาติร่วมโรคญาติร่วมทุกข์นะมันก็จะทําให้เรานะเรียกว่าเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นเนาะ อนก็เย็นนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับนะ อ, อากาบพระองค์กัน